บัด น, นี้หันมาฟังเอาเรื่องมอลําดีสิเริ่มเดืองที่ได้ติดต่อเรื่องเดืองเข้าเล่านิทานนพพรซินเวอร์โกภูมิใจเสนอมอลําเรื่องต่อก่อนคณะเพชรบุโดยการ น, นําของปอฉลาดน้อยส่งเสริม น, นํานางเอกใหม่แอนนาอาลิสมาเสนอท่านในท่องเรื่องนางผมหอมจากนี้ฟังและชมวรรณคดีโบราณ น, นางผมหอมได้แล้วครับ พ่อแม่เออจะเกาสีดาหน่อยมานดาตนแม่ไปกินน้ำบวกหน่อยหอยส่างเม่นยูไผ่เข้าเมื่อหลงปลาไม่โยกปลาพาดเดินผากินน้ำในหอยง้วพองหอยตีนสางปาถกลับมาบ้านผัดมีขั้นทองแก่พ่อแม่ปากบได้ถามโซพอง อโอเดโนจนมาหอดเมือนีลูกนั่นซื้อผมหอมกับอีนางรุ่นนี่คู่กันเพียงปลอมเพียนเธอนอย่อมเลี่ยงบ่ฟังเสียงไพสิวาความนินทากะเลยเหมือนดังเทถอกน้ำย้า ม, มีด โ, โอ น่อยครูแฝดทวงพยม่มซื้อว่านั่งผมหอมดอกคองรุ่นนี่หน่อยสาเหตุไปกินน้ำอยู่ในห้อยสร้างไงทั้งห้อยง่วอยู่ปลาไม่ผัดมีทองกระซังเป็นเดี๋ยวนี้ลูกใหญ่แล้วพ่อสีบหลีดเป็นสาวนั่งผมหอมรุ่นนี้ครูกันงามย่อยสีตนขุมมะลิคอยเป็นคนม่าบ่มีพอหาสาเหตุบ่พอสีดาเจ้าเมรคันิง้ง พ่อาหอดลูกทั้งสองขม่าพอดีคือนาตาสาสาวมงมองน้อลูกหล้ามีอีหยังคัดของมองใจเบาให้แม่ฟังเบิงอันนี้ล่ะแม่เอ๋ยแม่แต่นั้นนางผอมหอมก้าวแจ้งแถลงภาคสาไทย ทั้งใดก็อายคนอีแม่เอ้เขาทวงเขาว่าค้นควงบ้านนเนี้วสารป่าบ่าสมเป็นนอฟ้าให้กินยาแม่นอยู่ภายคนเขา ไปติด ต, ตามหาพอ่อเขาว่าเสื้อลูกส้างบอย่อมห้ยหววเมืองสาแล้วสิให้ลูกเฮ็ดจังใดให้ลูกไปตามหาพ่อสาแมรุ่นนี้อยู่กับแมเฮาเด้อล่ะเอ่อยสิไปผู้เดียวดอกแต่นั่นสิานะักหนาหหน่อยฟังลูกทะเลลงไข่เด้อ ตาำตาไหลลินน้องสิกันกองคูวมขม้างหนีนางเอาเป็นแนวโนซ่างป่าแพงเออโอ้ยบ่ได้สมเสพซ้อนไปกินหน้าเมนยู จังมาได้ลูกหน่อยสองอ่อนสะอ่อนโหน่น้ำแต่ตกทางในแม่สีดานหน่อยขันสิไปสาเทไอ้น้ำหอยโน่ส่างป่าดี บ่ได้สีหาไม่ให้ท้อห้ยสารกระดงหน่อยหน่อยห้อยแทกตามตีดเดินคำเดินเดินไปในพ่เขียวแตกห้อยไปเรื่อยลุ้นอย่าไปน้ำ ตะไลเทียงเทตะคุณเจ้าผู้ละเนวไอ้หนูผมหอมเอ้ยท่านเมนหามบไดาสรรศาสทยานคุณแม่ก็ขอตามใจไปเสียงไฟดงดาว นี่ลูกลากระดงแม่สานไฮเอาไปแทกห้อยสร้างไปเรื่อยๆเด้อมีสร้างตัวเดียวเท่านั้นละไงกว่วโมทีสุดบอลเมไปกินนามในห้อยนันเมย์จึงได้ดตังทองเจ้ามานีลาไปลูกหลาแทกห้อยไปเรื่อยๆจนหอดพอเจา้าปุลลารุ่นกระสิปัยน้าเอื้อยรุ่นนี้ยูบดาดอกแม่ ไผ่เขาก็วารุ่นนี้เป็นลูกงัวป่าจังใดก็หายรุนไปกับเอื่อยซะแม่คัน่ายจังสันกระพากันไปซะลูกล้าให้เห็นพอจไวัยเดิมลามาบัดนี้ตอนนี้ผมหอมล่ารุนนี้ สมเพทแบทพวามสิขึ้นดอกจอสาวอาอุผู้ ว, ว่าเก่าสิบสีหอมหักจังเม่นกรรมเว้นอย่างตั้งแต่ดนทงไวส้สิตกเหนือหรือใต้ตกใส่เออ พอเอ้ยมาหน้าควันอ่ะโอ้ยโอ้ยลนานาไปลูกลาผ้ากันไปสาธุให้ลูกเดี๋ยวพอๆพอมันไม่ไว้ในเด้อไปลูกไป ยุนนี่ลาแม่ไปแล้วละแม่ไปเธอเอื้อยผมหอมบัดนี้จะเก่าห้สารส่างขุนสรูตโตใหญ่เทวดาทรงให้มาเป็นแก้วพอนั่งสาแล้ว